พ, พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคําว่าตัดไว้ชอบแล้วก็คือเป็นความจริงทุกประการเช่น คำสอนที่ทรงตรัสไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขใจให้ความอิ่มใจให้ความพอใจได้ เท่ากับผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั่นเองรถแห่งธรรมก็คือรถของผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมก็คือความสงบนี่ดังที่ได้ตัดไว้ว่านัตถิสันติลังสุ ข, ขังไม่มี ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขได้ดีเท่ากับความสงบของใจอันนี้เป็นความจริงที่เป็นอากาลิโ ก, โกคือไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาทรงตัดไว้อย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยปัจจุบัน ก็เป็นอย่างนั้นสมัยนี้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็ยังเป็นความจริงอยู่เหมือนเดิมถ้าผู้ปฏิบัติได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้า มีแต่จะมีความศรัทธามีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับถ้าได้สัมผัสลดแห่งธรรมเพียงครั้งแรกแล้วก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติให้ได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถ สัมผัสได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแม้กระทั่งเวลาหลับก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพทะเจ้าการที่จะได้รับผลของการปฏิบัติ ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ mm. ก็มีความจําเป็นที่จะต้องสละรสทั้งปวงไป mm. เราเคยเสพเคยสัมผัสกับรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ mm. เราก็ต้องสละสิ่งเหล่านี้ไปรสเหล่านี้ไปถ้าเราอยากได้รสแห่งธรรม เพราะเป็นเหมือนกับเวลาที่เราจะเทชาน้ำชาร้อนๆเข้าไปในไปในแก้วแต่แก้วนะในแก้วนั้นยังมีชาเก่าอยู่ถ้าเราต้องการที่จะดื่มชาใหม่ที่เป็นชาร้อนที่มีรสดีกว่าชาเก่าที่เย็นที่เย็นเฉียบไปแล้ว เราก็ต้องเทชาเก่าทิ้งไปเมื่อเราเทชาเก่าทิ้งไปเราก็จะมีเนื้อที่ที่จะเทชาใหม่เข้าไปในแก้วถ้าไม่เทก็จะไม่มีเนื้อที่ฉันใดถ้าเราต้องการรถแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงเราก็ต้องสละลดทั้งปวงไป สาระลของรูปเสียงกลิ่นลดผทธพะไปเราไม่สามารถที่จะเอาทั้งสองอย่างได้แล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วได้รับผลแล้วก็จะไม่เสียดายลถของรูปเสียงกลิ่นลดผทธพะเลยแต่ในเบื้องต้นนี้อาจจะ เป็นสิ่งที่ยากเยียนเพราะถ้ายังไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมใจนี้ก็ยังต้องเสพรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไปก่อนเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองยาเสพติดนี้ถ้าลองติดแล้วจําเป็นจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่ได้เสพ เวลานั้นจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจจึงเป็นการยากของผู้ที่ยังติดอยู่กับรสของรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระที่จะสละเพื่อที่จะได้มาพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่คืออุปภาษะ ปัญหาของผู้ปฏิบัติที่จำเป็นจะต้องแก้ให้ได้ถ้าอยากจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมจำเป็นที่จะต้องสละรสทั้งปวงไปเหมือนกับจะเทน้ำชาแก้วใหม่ลงไปในถ้วยก็ต้องเทน้ำชาเก่าที่อยู่ในถ้วยนั้นทิ้งไปก่อนถึงจะมีที่ สำหรับเทน้ําชาใหม่ลงไปใจเราก็เป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนภาชนะที่รองรับรถทั้งปวงและรถแห่งธรรมตอนนี้ใจของพวกเราไปรองรับรถทั้งปวงคือไปรองรับกับรถของรูปเสียงกลิ่นรถโลิภัณฑ์ใจของเราจึงไม่มีเนื้อที่ที่จะรองรับ รสแห่งธรรมถ้าอยากจะได้รถแห่งธรรมเราก็ต้องสละรถทั้งปวงไปต้องมาถือศีลบวชกันเจริญเมฆธรรมบาลมีการเจริญเมฆธรรมบาลมีเลือถือศีลบวชคือศีลแปดศีลอุโบสถนี้ก็เป็นการเทชา ที่อยู่ในถ้วยนี้ทิ้งไปชาเก่าเพื่อที่เราจะได้มีที่ไว้สำหรับเทชาใหม่เข้ามาเช่นของความสุขลสที่เราได้รับจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นรสที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารตามความอยากตามความต้องการรสที่ได้รับจากการเสพพวก มหาศลศพบันเทิงต่างๆการดูภาพยนตร์ดูละครดูการละเล่นต่างๆการร้องรำทำเพลงการได้ยินได้ฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีการได้ไปงานเลี้ยงต่างๆรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆไม่มีข้อจำกัดในเวลา อยากจะดื่มเมื่อไรอยากจะรับประทานเมื่อไรตามความอยากก็ดื่มได้รับประทานได้ต้องสละลดเหล่านี้ไปต้องสละรถของการเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายแล้วก็ต้องสละลดของความการได้หลับนอนอย่างสุขอย่างสบาย นอนแบบไม่มีขอบไม่มีเคตนอนตามความอยากนี่คือเป็นรถที่ผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมจะเสพกันอยู่ถ้าอยากจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ต้องสละรถเหล่านี้ไปเพราะพระพเจ้าจึงทรงกำหนดวันธรรมสวัะขึ้นมา วันสละลดทั้งปวงไปนั่นเองให้สาธุชนได้เข้ามาในวัดมาบาเพ็ญมาสร้างรถแห่งธรรมด้วยการสละลดทั้งปวงไปคือมาถือศีลอุโบสถคือศีลแปดนี่เองสละการเสพ ร, รถของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะด้วยการอาราธนาศีลแปด คือละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นรสทั้งปวงเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างรถแห่งธรรมถ้าเรายังเสพความสุขเหล่านี้อยู่ยังเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเสพ ร, รถแห่งธรรม ที่จะเกิดขึ้นจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนี้เองนี่คือสิ่งที่ผู้ปรารถนาที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องกระทากันเพราะมันไม่ฉะนนั้นแล้วก็จะไม่ได้สัมผัส คืออยากจะได้ทั้งสองอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้อยากจะดื่มชาใหม่แล้วก็ยังอยากจะดื่มชาเก่าด้วยถ้าเทลงไปรวมกันมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้เป็นชาอะไรกันรสชาติก็ไม่รู้เป็นรสชาติอะไรกันชั้นใดการที่เราอยากที่จะได้พบกับรสแห่งธรรมที่เลิศที่ประเสริ เราจำเป็นที่จะต้องสละลดชนิดอื่นไปให้หมดเพราะลดชนิดอื่นนี้ความจริงแล้วมันเป็นภยัยเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองแทนที่จะให้ความอิ่มให้ความพอหลังจากที่ได้เสพแล้วมันกลับทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะเสพ เพิ่มมากขึ้นไปอีกไม่เหมือนกับรสแห่งธรรมที่พอได้เสพแล้วนี้จะทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปการไม่มีความอยากนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลิศที่สุดสำหรับจิตใจเพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้ว ก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ทาในสิ่งที่อยากทําหรือได้ในสิ่งที่อยากได้ความอยากนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาของจิตใจที่เป็นตัวชุดลากให้จิตใจ ต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่จิตใจอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่คงเส้นคงวาเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเป็นสิ่งที่มีการเจริญแล้ว ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะไปสามารถบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หรือห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้เวลาที่อยากแล้วไม่ได้ก็จะต้องเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา เวลาที่อยากให้สิ่งที่มีอยู่อยู่กับตนไปแต่พอเวลาที่เขาจากไปก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือสิ่งที่ตามมาหากไปทําตามความอยากการที่จะไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องมีลดแห่งธรรม มากำจัดความอยากนี้เองถ้ามีรถแห่งธรรมคือรถของความสงบแล้วความอยากก็จะหายไปเมื่อความอยากไม่มีก็ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เพราะใจมีความพอมีความสุขในตัวเอง การที่ใจไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาคนนั้นหาคนนี้หาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ก็เพราะว่าใจไม่มีความสุขในตนเองใจคิดว่าจะมีความสุขถ้าได้ไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้คนนั้นคนนี้มาได้เรื่องนั้นได้เรื่องนี้มาแล้วจะมีความสุข แต่ถ้าเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขเดียเด๋ยววความสุขแบบควนไฟความสุขที่เกิดจากเวลาที่ได้เสพได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาพอมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ได้แล้ว เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วต้องไปทําตามความอยากที่โผล่ขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกครั้งที่เราได้ทําตามความอยากถ้าอยากจะให้ความอยากนี้ไม่โผล่ขึ้นมาเราก็ต้องสร้างรถแห่งธรรมขึ้นมา เพื่อที่จะมาหยุดความอยากแล้วต่อไปเวลาเรามีรถแห่งธรรมเราก็จะสามารถต่อต้านกับความอยากได้เวลาเกิดความอยากเราก็ใช้เหตุผลพิจารณาดูผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทำตามความอยากเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการทำตามความอยากนี้ มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราคือติดใจของเราเมื่อเราเห็นชัดด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลเราก็จะไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปแล้วเมื่อเราไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากนั้นก็จะจางหายไปในที่สุดหมดไปในที่สุดจะไม่มีความอยาก กลับคืนมาอีกแล้วนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้สัมผัสลดแห่งธรรมจำเป็นที่จะต้องสละความสุขสละลดของทั้งปวงไปไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปถือศีลบวชกัน เเป็นศีลแปดก็ได้ศีลส0บก็ได้ศีลสองอยยิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้อก็ได้เป็นการยับยั้งจิตใจป้องกันจิตใจไม่ให้ไปเสพรสต่างๆนั่นเองเพื่อที่จะได้มีเวลามาเสพรสแห่งธรรมกันถ้าเราไม่ต้องไป หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีเวลามาบําเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดรถแห่งธรรมขึ้นมานั่นเองการเดินจงกรมการนั่งสมาธินี้เป็นวิธีการของการบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ในขั้นต้นนี้ท่านสอนให้เจริญสมถภาวนาก่อนเพราะสมถะภาวนานี้จะเป็นเหมือนกับบาตฐานของวิปัสสนาภาวนาจะเป็นผู้ที่จะสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาถ้าจะเจริญวิปัสสนาภาวนาโดยที่ไม่มีสมถภาวนา จะไม่ได้ผลเพราะจะไม่ได้เป็นวิปัสนาภาวนาดัางนั้นในเบื้องต้นต้องมาเจริญสมถ ภ, ภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางทำใจให้อิ่มให้พอก่อนเพื่อที่จะได้มีกำลังมีอาหารไว้หล่อเลี้ยงจิตใจ เพื่อที่จะได้เอาไปต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกทาลายไปเพราะสมถะภาวนานี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากต่างๆภายในใจให้หายไปได้ให้หมดไปได้สมถะภาวนาเพียงแต่ทำให้ ตัดความอยากหรือหยุดความอยากไว้เป็นข้างเป็นข่าวเวลาที่ใจอยู่ในความสงบความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปด้วยเพราะความอยากนี้ต้องใช้ใจเป็นเครื่องมือถ้าใจสงบความอยากก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แต่เวลาใจออกจากความสงบมา พอออกมาแล้วมาคิดมาปรุงมาแต่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากตามมาได้เพราะความอยากไม่ได้ตายไปกับสมถาวิปัสนาสมถภาวนาท่านเปรียบไว้ว่าเป็นเหมือนหินทับหญ้าสมถะนี้เป็นเหมือนหินที่ทับยญาเาไว้ เวลาหินทับหญ้าไว้ในหญ้าก็ไม่สามารถงอกงามเจริญขึ้นมาได้แต่เวลาที่เอาหินออกไปแล้วยกหินออกไปแล้วไม่นานพอได้รับน้ำได้น้ำค้างหญ้าก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่เพราะว่าการที่เอาหินไปทับหญ้านี้ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของหญ้านั่นเองหญ้าก็เลยยังไม่ตาย ตันหาความอยากก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนกับหญ้าส่วนความสงบคือสมถภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับก้อนหินที่เอาไปทับหญ้าไว้เวลาหินก้อนหินทับหญ้าไว้เวลาความสงบทับตันหาความอยากไว้ความอยากก็ไม่สามารถที่จะออกมาเพ่นพ่านได้ เวลาที่อยู่ในความสงบนั้นจึงเหมือนกับได้หลุดพ้นจากความอยากได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่เป็นการหลุดพ้นชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่สามารถที่จะให้ใจอยู่ในความสงบของสมถะได้ไปตลอดเพราะใจยังต้องออกมาดูแลร่างกายร่างกายนี้ ไม่นานถูกทอดทิ้งไว้ไม่นานก็จะต้องมีการมาดูแลต้องมาดูการขับถ่ายดูการดืม่มเติมอาหารเติมน้ำให้แก่ร่างกายดังนั้นการใช้สมถะ ภ, ภาวนาคือความสงบนี้ก็สามารถหยุดความอยากได้ชั่วคราวเท่านั้นพอออกจากความอยากมา ถ้าไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผธพาขึ้นมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าต้องการที่จะทำลายความอยากอย่างถอนรากถอนโคนก็ต้องใช้ขั้นต่อไปก็คือวิปัสสนาภาวนาผู้ที่มีสมถภาวนาแล้วจะอยู่ใกล้ชิดกับใจตลอดเวลา เวลาที่ตันหาความอยากโผล่ขึ้นมาก็จะเห็นทันทีแล้วก็จะเห็นผลของการโผล่ขึ้นมาของตันหาความอยากทันทีว่าทำให้ใจกระเพื่อมแล้วทำให้ใจไม่สงบแล้วทำให้ใจไม่เป็นอุเบกขาแล้วเพราะเริ่มอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใจเริ่มกะวนกวายกระสัวกระสายแล้ว ถ้ามีสมถะภาวนาอยู่แล้วพอเห็นอย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีว่าความอยากนี้เองที่มาทำลายความสงบของใจมาทำลายความสุขของใจมาทำลายอุเบกขาของใจพอรู้อย่างนี้ก็หยุดมันได้ทันทีถ้ายังหยุดไม่ได้มันมีความดื้อรั้นมากก็ต้อง ไปพิจารณาสิ่งที่มันอยากได้ว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่เช่นอยากจะกลับไปดื่มสุราก็พิจารณาดูว่าการดื่มสุรานี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ดื่มไปแล้วจะพ้นอะไรจะตามมาอย่างแรกก็คือ เวลาเกิดความอยากแล้วจะทำให้ใจงุดจิตลำคาญใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาแล้วพอได้ดื่มแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ถ้าดื่มไปแล้วสติสตังก็จะไม่มีถ้าไปทำอะไรก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ถ้าขับ รถขับยานยนต์ในขณะที่มึนเมาก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ <Yes. S 1> อาจจะทำให้ผู้อื่นและตนเองถึงแก่ความตายได้ถ้าไม่ถึงแต่แก่ความตายก็จะต้องไปติดคุกติดตารางต้องเสียเงินเสียทองต้องมาซ่อมแซมยานยนต์ที่เกิดการเสียหายขึ้นมา อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากที่จะดื่มสุราแล้วก็ถึงแม้จะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็ยังที่จะมีความอยากที่จะดื่มอีกแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องหามาดื่มเพราะทนกับความหงุดหงิดลำคาญทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้ที่เกิดจากความอยากดื่มสุรา แล้วถ้าดื่มไปมากๆร่างกายก็จะต้องเดือดร้อนเพราะสุรายาเมานี้ก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทำให้มีอายุไม่ยืนยาวนานตายก่อนเวลาที่ควรถ้าได้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นโทษของความอยากที่จะไปดื่มสุรา และเห็นโทษของของสุราเองว่ามีแต่นำมาสึ่งความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นถ้าเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้นี่คือการใช้วิปัสสนาภาวนาถอนรากถอนโคนของความอยากต้องเห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมามันมีแต่จะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความทุกข์ใหม่ตามมาแล้วก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาห้ามไม่ให้สุรามาทำลายเราไม่ได้ถ้าดืน ม, มันเข้าไปแล้วมันก็จะต้องมาทำลายเรา นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ใจอยากได้ให้เห็นโทษของสิ่งที่อยากได้และให้เห็นโทษของความอยากที่มาทำลายความสงบสุขที่ได้รับจากการบาเพ็ญสมถะภาวนามาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากแล้วความสงบสุขก็จะกลับคืนมาอุเบกขาก็จะกลับคืนมานี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลของธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงต้องเกิดจากการบำเพ็ญในคัมมะคือการ ถือศีลของนักบวชอยู่แบบนักบวชแล้วก็ปฏิบัติแบบนักบวชจะอยู่ในในคาบไหนก็ได้จะอยู่แบบนักบวชเลยคือได้บวชเป็นพระเป็นภิกษุณีเป็ น, น, เ, ปนเป็นแม่ชีเลยหรือจะอยู่แบบคารวะญาติโยมแต่ไม่ได้ ดำเนินกิจกรรมเหมือนคารวะญาติโยมทั่วไปเพราะจะใช้เวลาทั้งหมดมาให้กับการบำเพ็ญส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของศสีงของนักบวชนี้จะไม่ทํากิจกรรมที่คารวะทากันจะทําทกิจกรรมของนักบวชก็คือ การเดินจงกรมนั่งสมาธิการที่จะทําให้ได้สมถะได้ความสงบของใจสิ่งแรกที่จําเป็นจะต้องเจริญก็คือสติต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องดึงใจไว้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปในอนาคต ไม่ให้ลอยไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เพราะถ้าปล่อยให้ลอยไปแล้วเดี๋ยวก็ความอยากตามมาก็จะต้องไปทําตามความอยากพอไปทําตามความอยากใจก็ไม่นิ่งใจก็ไม่สงบถ้าควบคุมใจไว้ไม่ให้ลอยไปไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะว่าง ใจก็จะไม่ต้องทําอะไรใจก็จะพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบเวลาที่อยากจะให้ใจเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งขัดสมาบัิหลับตาแล้วก็เจรินสติต่อไปไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก การเจริญพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าเป็นการจเจริญพุทธานุสติคือการจเจริญสติด้วยการใช้พุทธโธหรือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าใช้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานาสติคือการใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ในการสร้างสติ ในการผูกใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นที่รวมของความสงบนั่นเองถ้าใจไปอดีตไปอนาคตใจจะไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องอยู่ปัจจุบันอยู่ปราศ จ, จากความคิดปรุงแต่งอยู่กับความรู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเช่นรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจแล้วถ้าทําได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานหานาทีสิบนาทีใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่อุเบกขาได้เข้าสู่รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้เพียงแต่เป็นรถแห่งธรรมชั่วคราวเท่านั้นยังไม่เป็นรถแห่งธรรมถาวร เพราะพอออกจากสมาธิมาความอยากต่างๆก็จะหลังไหลกันออกมาเพื่อมาทำลายรถแห่งธรรมนี้ทันทีถ้าอยากจะรักษารถแห่งธรรมนี้ไว้ต่อไปก็ต้องใช้วิปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่ารถทั้งปวงนี้สู้รถแห่งธรรมไม่ได้ถ้าอยากไปเสกกับรถต่างๆก็ ให้ตัดไปเสียให้เห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขนี่คือวิปัสสนาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยวเวลามันสุขแล้วมันพอมันเปลี่ยนไปความสุขนั้นมันก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่เช่นเวลาเราได้ ใครมาเป็นคู่ครองของเราอย่างนี้เวลาได้เขามาก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เราจะอยู่กับเขาไปได้นานสักเท่าไหร่จะอยู่กันไปตลอดหรือเปล่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันพัดพากจากกันพอเวลาจากกันแล้วความสุขที่ได้จากเขามันก็จะหายไปความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ นี่คือมองให้เห็นทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเขาไม่เป็นสิ่งที่เชี่ยงแท้แน่นอนที่ถาวร น, นั่นเองเขาเป็นสิ่งชั่วคราวเท่านั้นอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องมีวันหมดไปมีวันพัดภาคจากกันไปพยายามพิจารณาอนิจจัง ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดามีการเจริญมีการตั้งอยู่มีการเสื่อมไปละหมดไปเป็นธรรมดาและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะไปยับยั้งได้เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นของของใครทั้งนั้นไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา เสื่มช้าเสื่อมเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วแต่มีการเสื่อมแน่ๆมีการเปลี่ยนแน่ๆมีการดับแน่ๆต้องเห็นอย่างนี้เห็นทั้งสามเห็นทั้งทุกขังเห็นทั้งอนิจจังเห็นทั้งอนัตตาเห็นแล้วก็จะปล่อยวางความอยากได้จะไม่อยากได้อะไรสู้อยู่กับความสงบดีกว่า อยู่กับรถแห่งธรรมดีกว่าทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ารถแห่งธรรมนี้ดีกว่าแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้เหมือนกับถูกสะกดจิตเหมือนกับถูกสะกดจิตให้เห็นผิดเป็นชอบขึ้นมา ท, าทันทีเพราะถ้าเกิดความอยากนี้ก็แสดงว่าหลงแล้วความอยากนี้เกิดจากความหลงความหลงก็คือลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองดังนั้น ถ้าไม่อยากจะหลงไม่อยากจะลืมพอออกจากการออกมาจากความสงบแล้วก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีพิจารณาตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเลยจะพิจารณากับเรื่องไหนก็ได้สิ่งไหนก็ได้แต่เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องที่เราไปอยากได้นั่นเองเช่นร่างกายของเราเราก็ยังอยากมันกำมันอยู่ เช่น <uther> เราอยากอะไรกับร่างกายเราก็อยากไม่ให้มันแก่อยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้มันตายอยากไม่พัดพากจากมันไปอยากไม่พัดพากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปแต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หรือไม่เราสามารถสั่งให้มันไม่แก่ได้หรือไม่สั่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่สั่งไม่ให้มันตายได้หรือไม่ สั่งไม่ให้เราต้องพัดพลาดจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือไม่เราต้องพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราถึงจะไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วก็จะไม่เกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาดจากกันพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีความสุขที่ได้จากการบําเพ็ญสมถะภาวนา ก็จะกลับคืนมารถแห่งธรรมก็จะกลับคืนมานี่คือขั้นตอนที่จะทาให้เราสามารถมีรถแห่งธรรมอยู่กับเราได้อย่างถาวรตลอดไปก็คือต้องเจริญวิปัสนาเพื่อกาจัดความหลงความลืมนั่นเองเรามักจะลืมกันว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพัดพากจากกันและกันไป เรามักจะเลยว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นความทุกข์เพราะเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาถ้าเราไม่คอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆพอเห็นอะไรก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเห็นอะไรด้วยปัญญาพอเห็นอะไรก็ต้องเห็นว่าเป็นปายรักเลยเห็นว่าเป็นอสุภะเลยถ้าเห็นร่างกายก็ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะเลย ไม่สวยไม่งามเลยเมื่อเห็นร่างกายที่ไม่สวยไม่งามความอยากที่จะได้เขามาเสพมาร่วมหลับนอนนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่เห็นอสุภะกลับไปเห็นสุภะเห็นความสวยงามขึ้นมาเมื่อไรเวลานั้นก็จะเกิดตัณหาความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาขึ้นมาทันที นี่แคือวิปัสสนาปัญญาที่แท้จริงต้องสามารถพิจารณาได้ทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจริงเป็นปัญญาจริงถ้าพิจารณาวันละครั้งสองครั้งสามสี่ครั้งแล้วมาเรียกว่าเป็นปัญญานี้มันเป็นการโกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาต้านมาทำลายตันหาความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้ เพราะว่าความหลงมันยังทำงานอยู่นั่นเองการที่จะหยุดความหลงก็คือต้องมีปัญญาทำงานตลอดเวลาเพราะปกติความหลงมันก็ทำงานของมันตลอดเวลาอยู่แล้วความอยากของเราจึงปรากฏได้แทบทุกเวลานาทีเลยถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องไปหยุดความหลงความหลงที่มันทำงานตลอดเวลา ถ้าเอามันมาทำงานทางปัญญาทางวิปัสสนาความหลงก็จะหยุดทำงานไปเพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ผลิตความหลงกับผลิตปัญญานี้มันตัวเดียวกันก็คือสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งนี่เองถ้าเอาไปคิดในทางากิเลสตัณหาในทางความหลงคิดว่าเป็นสุขขังนิจจงอัตตานี่มันก็จะผลิตความอยากต่างๆขึ้นมา พอเอามาคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะหยุดความอยากต่างๆไปทันทีนี่คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเลยเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะหยุดความหลงที่คอยผลิตความอยากต่างๆขึ้นมานั่นเองอยู่ตรงนี้มีประเด็นสำคัญของวิปัสสนาอยู่ตรงนี้ อยู่ที่การความสามารถที่จะที่จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีทุกครั้งที่เห็นราบยศสารเสริญก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีทุกครั้งที่เห็นรูปร่างหน้าตาของคนก็ต้องเห็นเป็นอสุภะทันที ต้องเห็นแบบนี้ทุกครั้งที่เห็นอาหารก็ต้องเห็นสภาพของอาหารที่มันเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้รับประทานแล้วหลังจากที่มันเข้าไปในปากแล้วเข้าไปในท้องแล้วหลังจากที่มันออกมาจากร่างกายแล้วว่ามันเป็นอย่างไรต้องเห็นอย่างนี้เท่านั้นมันถึงจะกาจัดความอยากต่างๆได้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้พอเห็นอาหารในจานในจานปนี้น้ลหลายไหลเลยทั้งทั้งที่กิน เพิ่งกินมาเสร็จใหม่ๆพอเห็นอาจารย์อาจารย์ใหม่มานี่ก็อดไม่ได้ที่อยากจะกินอีกแล้วแต่ถ้าคิดถึงเวลามันอยู่ในปากเวลามันอยู่ในท้องเวลาคายมันออกมาเวลาอาเจียนมันออกมาหรือเวลาถ่ายมันออกมานี่ยังอยากจะรับประทานมันอยู่ในปานี่คือวิธีดับความอยากต่างๆด้วยวิปัสสนาภาวนา ต้องพิจารณาตลอดเวลาเลยพอออกจากความสงบมาแล้วนี้อย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางากิเลสตัณหาคิดไปในทางความหลงอย่าไปคิดว่ามันเป็นสุขอย่าไปคิดว่ามันเป็นของถาวรเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราได้ไปตลอดอันนี้เรียกว่าเป็นความหลง ถ้าเรามีปัญญาทํางานตลอดเวลาความหนองก็จะไม่สามารถทํางานได้ความอยากก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรมาทําลายลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้รถแห่งธรรมนี้ก็จะอยู่กับใจไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือตาบชั่วฟ้าดินจลายลถแห่งธรรมนี้ก็ยังมีอยู่ต่อ รถแห่งธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ทำคือใจผู้ที่ครองรถแห่งธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกนี้ด้วยจั ก, กรวาลนี้จะสูญหายไปก็ไม่ได้มาทำลายรถแห่งธรรมนี้เพราะรถแห่งธรรมนี้อยู่ในใจใจนี้อยู่ในโลกทิดที่ไม่มีวันสู์ไม่มีวันดับไม่เหมือนกับจักรวาลที่เราอยู่กันนี้เป็นโลกของธาตุ คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มีวันที่จะต้องมีวันหมดไปดวงอาทิตย์ที่เราเอาศัยแสงสว่างนี้ก็เป็นอ น, นิจจังสักวันหนึ่งแสงสว่างดวงอาทิตย์ความร้อนของดวงอาทิตย์นี้ก็จะหมดไปเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเตาไฟดีๆนี่เองเมื่อถ่านมันถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วมันจะเอาความร้อนมาจากไหนอีกไฟมันจะมาจากไหนอีกเมื่อไม่มีถ่านแล้ว ดวงอาทิตย์ก็เป็นเหมือนฐานไฟก้อนใหญ่ๆนี้เองที่โลกเราใช้อาศัยให้ความร้อนให้ความอบอุ่นให้ชีวิตอยู่ได้พอไม่มีแสงอาทิตย์แล้วโลกนี้ก็จะหนาวเหมือนกับอยู่ในตู้เย็นตู้แช่แข็งแล้วจะไปอยู่กันได้อย่างไรร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องมีวันหมดไป แต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกทิพย์รสแห่งธรรมที่ใจได้สร้างขึ้นมาก็จะอยู่กับใจไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกนี้ต่อไปโลกนี้ก็จะตั้งหมดสภาพไปจะไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้ของมนุษย์ทั้งหลายได้แต่ก็มีโลกอื่นที่ จะมีมนุษย์และสัตว์ไปเกิดไปปรากฏขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็จะมีดวงจิตดวงใจที่ยังมีความหลงมีความอยากอยู่ก็จะไปไปใช้ร่างกายต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆที่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแท้โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โลกนี้ไม่มีก็จะมีโลกใหม่โผล่ขึ้นมามีที่อยู่ของมนุษย์ของสัตว์ใหม่โผล่ขึ้นมาก็จะมีมนุษย์มีสัตว์ใหม่เกิดขึ้นมาดวงจิตที่ยังมีความหลงอยู่ก็จะไปเกิดแกเ่เจ็บตายในโลกเหล่านั้นต่อไปจนกว่าที่จะได้พบกับรสแห่งธรรมแล้วสามารถรักษารสแห่งธรรมให้อยู่กู้ไปกับใจได้ตลอดเท่านั้นถึงจะไม่กลับมา อยู่มาเกิดกับร่างกายในโลกธานนี้จะอยู่ในโลกทิพย์ที่เราเรียกว่าพระนิพพานสวรรค์ชั้นนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดในโลกทิพย์โลกทิพย์นี้มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีระดับต่างๆกันไปมีระดับเทวดาระดับพรหมระดับอริยะเจ้ามีระดับเปรตระดับ อาสูระกายระดับนรกนี่เป็นเป็นที่ตั้งของใจที่ไม่มีวันที่จะเสื่อมจะสลายเหมือนกับโลกกธาตุนี้ดังนั้นลหแห่งธรรมที่เราได้สร้างกันจากการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้ก็จะคงอยู่กับใจที่อยู่ในโลกที่ไปตลอด เช่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกรบาบไหว้บูชากันใจของท่านก็ยังอยู่ในโลกทิพย์นี้อยู่และอยู่กับรสแห่งธรรมที่ ช, ะะชะนะชนะรสทั้งปวงนี้เองใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าพวกเรามาบำเพ็ญกันมาปฏิบัติกันมาเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนากัน ต่อไปใจของเราก็จะเป็นอย่างนั้นใจของเราก็ไม่ต้องมาอาศัยโลกธาตุอยู่กันเพราะโลกธาตุนี้มันเป็นโลกของความทุกข์นั่นเองเพราะเป็นโลกของการเกิดแก่เจ็บตายของการพัดพากจากกันดังนั้นขอให้ท่านตรงพยายามสร้างความศรัทธ า, าสร้างฉันทาวิทยะที่จะ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้ง่วงนี้มาเป็นสมบัติมาเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขไปตลอดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 อระโสยทาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโอสุขัง คำถาปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่อยากจะถามปัญหาก็สามารถขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้นวัศกางค่ะคุณเจ้าครับคือก่อนหน้านี้ครับผม คือผมตั้งใจอะตั้งทีเดฐานว่าคือผมอะเหมือนมีความอยากกิเลสนะครับอยู่ในใจแล้วผมก็ไปถือศีลแปดที่วัดแล้วก็เหมือนออรู้สึกว่าตัวที่ความอยากเนี่ยผมก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วผมก็ปฏิบัติได้สัก3ามเดือนแล้วผมก็ไปก็มีความอยากเกิดขึ้นในใจอ่ะครับมีกิเลสตัณหาอยู่ในใจเสร็จปุ๊บก็ก็รู้ว่าเป็นทุกข์จนร้องไห้เสียใจครับแล้วก็ ก็เหมือนตัดไปได้อีกเดือนหนึ่งแล้วก็มันก็กลับมาอีกอย่างนี้ผมควรจะทำยังไงดีครับก็ต้องตัดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดอย่างยังถือสิ่งแตดนี้มันก็ตัดได้สักพักหนึ่งต้องใช้วิปัสสนาได่สิ่นแปดอย่างเดียวไม่พอต้องใช้สมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาทำสลับกันไป เข้าสมาธิทําใจให้สงบให้อิ่มให้สุขแล้วพอออกมาก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปกับสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้หรืยอยังไม่รับรู้ก็ได้เช่นร่างกายของเรานี้เราก็พิจารณาได้ตลอดเวลาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเาสุภะไม่สวยไม่งามเช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นเป็นแบบเดียวกัน พิจนาไว้ก่อนก็ได้เวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายก็จะได้หักห้ามจิตใจหักห้ามความอยากได้ต้องทำไปจนกว่ามันตายไปหมด ถ, ถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะลบมันก็จะกลับมาตีเราทันทีนนการปฏิบัตินี้มันก็จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อความอยากทั้งหลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว อย่างที่ผู้ที่บราารลุพระอรหันต์ท่านจะพูดว่าวุสิตังบ ร, รมจรือยังภารกิจในพรหมจารี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่อีกแล้วนั่นเองเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะสบายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขตอนนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์อยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็จะกลับมาตรงนี้เด้งไปเดงมาเหมือนลูกปิงปอง นี่คือธรรมชาติของใจที่มีความอยากอยู่มันจะไม่มีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังคิดว่าถ้ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วจะดีจะมีความสุขมันก็เลยวิ่งไปหากันไปได้มาแล้วก็เหมือนเดิมได้มาแล้วก็ยังมีความอยากใหม่โผลขึ้นมาอีกเรื่อยๆยันถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่พรเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราจะไม่สามารถกาจัดความอยากให้หมดไปได้ ถ้าเราอยากจะกำจัดมันอยากจะหลุดพ้นจากโทษอันนี้ก็ต้องสู้มันอย่างเดียวสู้ไม่ถอยสู้ไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเข้าออกหรือสู้ไปจนกว่ามันจะตายไปถ้าสู้แบบนี้จะไม่ขาดทุนถึงแม้ว่าเรายังจะไม่กำจัดความอยากได้หมดในชาตินี้แต่มันจะติดเป็นเป็นนิสัยไปกับเราพอชาติหน้าไปเกิดเราก็จะไปสู้กับมันต่อ โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกเราเพราะเราจะรู้อยู่ในใจของเราว่าความอยากนี่มันเป็นอันตรายเป็นโทษกับเราเอ็นผอมพยายามปฏิบัติไปอยากทอ้อเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าอยากจะให้อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆรับประทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอิ่มแล้วมันก็รู้เองว่ารับประทานไม่ลงแล้วมันตอนนั้นก็หยุดรับประทานได้ถ้ายังรับประทานได้รับประทานไปอยากขี้เกียจ ความขี้เกียจนี่ยหละเป็นอุปสรรคตัวสำคัญต่อการปฏิบัติต้องกำจัดมันอย่าทำตามมันถ้าทำตามมันแล้วก็จบมีอีกไหมขอถามครับอาจารย์ครับตอดนี้ยังสงสัยอีกเจออยียหยดครับ อ่ามีป้าท่านหนึ่งบอกครับว่าว่าตามที่ศึกษามาสายปฏิบัติท่านไม่ให้เรียนรู้มากมันภาวนาไม่ลงจริงไหมครับคือให้รู้เท่าที่จําเป็นรู้มากก็แบกไปเปล่าๆครับและท่านบอกว่าสายปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกว่ารู้มากสงสัยมากมันทําให้ภาวนายากภาวนาไม่ลงตัวนี้ก็ ก็ใช่ไงอย่าไปอย่าไปหลงอย่าไปสงสัยให้เชื่อกูบาอาจารย์ปฏิบัติไปเลยใช่ไหมครับท่านสอนให้ทํำลายก็ทําไปครับผมแล้วก็ข้อสองครับบะหมี่มามา่า น, นี้สามารถถวายพระได้ไหมครับ <laughs> เพราะว่ามันจะเป็นกึ่งดิบและกึ่งสุกเพราะว่าตามพระวินัยคือท่านให้ถวายของที่สุกปรุงเสร็จใหม่ๆเพราะว่ามันจะเป็นการสนับสนุนพระให้ชันนิยาวิการไหมครับ สันหรือภพคาพงเนครตอนนี้สงสัยครับตอนนี้คือการถวายของนี่ถวายได้ทุกอย่างแต่ต้องมีการละเทศะมีขั้นตอนถ้าจะถวายให้พระฉันต้องถวายของสดของสําเร็จแล้วต้องต้องถายเวลาที่ท่านบินดบาตหรือเวลาที่ท่านนั่งฉันอยู่ที่ศาลาส่วนอยากจะถวายของดิดเพื่อให้เก็บไว้ใช้ในวันที่ไม่มีคนมาทําบุญหรือ วันที่ไม่มีคนใส่บาตรก็ยังถวายได้แต่ต้องถวายเป็นของส่วนกลางไปโอ้ส่วนกลา ง, งให้เก็บไว้ในกองครั้งไว้แล้วเวลาวันไหนไม่มีอาหารก็ให้เด็กเอามาถวายม า, ม า, ม, า, ม, ามาต้มมาหุงมาถวายได้ถวาย<อ>ได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีต้องมีการแยกการการแย ก, กแย<จ>ะการถวายว่าจะถวายอย่างไรถ้าจะถวายให้พระฉันทันทีก็ต้องไปนอาหารสุก ส่วนอยากจะให้เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเกิดกิ่งเฉพาะวัดป่านี้บางทีจะมีแต่คนไปวันเสาร์วอาทิตย์วันธรมรมดานี้จะไม่มีใครไปใส่บาตรอาหารลางวันก็ไม่มีสมัยอยู่บ้านต่านี้บางทีนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งไม่มีอาหารก็เอาไอ้ปลากระป๋องกับไอ้เกี๊ยวไช่กระป๋องนี่มาคุกกันแล้วก็เอานมคนนี่มาเป็น เป็นจิ้มน้ำจิ้มน้ำข้าวเหนียวเป็นของหวานไปแต่นานๆจะได้กินอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเพราะนานๆที่บ้านตาจะไม่มีคนไปสักครั้งหนึ่งแต่ยุครกๆที่ไปอยู่ตอนนั้นคนยังไม่มากครับผมข้ อ, อต่อไปครับมีพี่ท่านหนึ่งท่านแนะนํามาว่าอยากให้ผมแนะนําอ่าหรือบอกอ่า ผู้ที่คณะ ก, กรรมการวัดแต่ผมว่าจะผมไม่กล้าบอกแต่ผมว่าก็ตัดสินใจเอาเป็นคำถามมาถามให้พี่เขาเขาบอกว่าให้คณะกรรมการบอกว่าก่อนที่จะวายถวายอาหารพระหรืออะไรต้องตรวจสอบ อ, อาหารที่มีสารปนเปื้อนแบบว่าเป็นมีอะไรแต่งกินเลียนแบบสังเคราะห์ใส่สารกันบูดอะไรประมาณนี้เพื่อว่าจะเป็น เพื่อสุขภาพของพระท่านครับท่านแนะนํามาอย่างนี้แต่ผมว่าที่แรกก็ไม่กล้าจะถามให้เพราะว่ามันมันแล้วแต่ศรัทธาโยมผมว่าอย่างนี้แต่ว่ามันก็เพื่อความสงสัยของพี่เขาก็เลยมาถามอาจารย์ให้ครับมันก็ความคิดที่มันคิดนี้มันก็คิดได้ร้อยแปดแต่ความเป็นไปได้มันก็ก็อีกเรื่องหนึ่ง คนมาใส่บาตรมันมาจากหลากหลายสถานที่หลากหลายหลากหลายชั้นชาติชั้นวันนะเราจะมีใครจะมาคอยบอกเขาได้การบอกนี้มันก็ไม่ถูกการรเทศเรื่องของการที่จะให้คนเข้าถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่มันเป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ให้ผู้ผู้รับนี่ไม่ควรที่จะไปจูจจ้จี้จุกจิกยังเคยมีข่าวว่าสำนักหนึ่งนี่เขา ฉันมังสาวิราชมังเวลาเขาเดินบินธบาติเขาจะมีหนังสือหรือมีกระดาษค่อยบอกแจกญาติโยมว่าวัด น, นี้ฉันแต่มังสาวิราชเนี่ยอ้ น, นี้มันก็ไม่ถูกกาลเทศะเพราะว่าฐานะของพระนี้ต้องแบบอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไม่เป็นภาระไม่เป็นเรื่องลําบากยากเย็นก่อผู้ที่สงเคราะห์ดูแลเข้าใจมอไหมพระต้องยินดีตามมีตามเกิด ไม่ใช่เป็นคารวะที่สามารถจู้จี้จุกจิกได้ว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอาหารที่เป็นปอดสารพิษอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของคารวาญาติโยมเป็นความคิดของคารวะญาติโยมครับผมความค <ใจ S 1> ิดของพานี้ต้องยินดีตามมีตามเกิดครับ<อ>รีได้สีแจงพี่เขาครับผมแล้วคำถามต่อไปครับพอดีการถือศีลแปดนี้ต้องจำเป็นต้องปฏิบัต ที่วัดหรือถ้าปฏิบัติที่บ้านนี้ได้ไหมครับได้ทังนั้นแขอให้เป็นสถานที่ที่มันเอื้อต่อการปฏิบัติครับครับผมหมดคําถามแล้วครับอ่าดีการรูสัการครับมาหน้ามาใหม่ต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านค่ะคําถามแรกจากมีผู้ฝากถามพ่อชอบกินเหล้าเวลาเมาจะพูดจามไม่รู้เรื่อง ซึ่งจะไปตรงหนักที่แม่และแม่ก็ต้องเห็นสภาพพ่อเป็นแบบนี้ทุกวันที่ฉันเคยบอกพ่อให้ลดการกินเหล้าแต่พ่อไม่ฟังหนูสงสารแม่บอกให้แม่ทําใจให้สบายอยากให้พระอาจารย์ให้กําลังใจแม่เผื่อว่าแม่จะเครียดน้อยลงค่ะกอแม่ไปอยู่ที่อื่นกําล้วกันแยกกันอยู่อยู่อยู่ร่วมกันแล้วเป็นทุกข์อยู่กันไปทําไมเหมือนอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้อยู่ไปทําไม ออกไปอยู่นอกบ้านดีกว่าอยู่ที่มันเย็นสบายไปทุกข์กับเขาทำไมคำถามต่อไปจากคุณช้างหากผมกำหนดอุบายในการกำหนดลมหายใจว่าการหายใจออกยาวๆคือการนำความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ใจออกจากจิตไปและการหายใจเข้ายาวๆคือการกระตุ้นจิตให้ตื่นตัวไม่เกียดคร้าน ถือได้ว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ครับเป็นการปฏิบัติที่ผิดคือเวลาปฏิบัตินี้เราไม่ต้องการมีความคิดปรุงแต่งเวลาที่ทำใจให้สงบนี้เราต้องระ ง, งับความคิดปรุงแต่งให้รู้อยู่อย่างเดียวให้รู้เฉยเฉยันรู้ลมก็รู้เฉยเฉยรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกอย่าไปคิดถ้าคิดปรุงแต่งแล้วนั่งไปก็จะไม่มีวันที่จะเกิดผลขึ้นมาได้คือความสงบ ความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดความคิดปรุงแต่งเหรือแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นดังนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเพื่อความสงบนี้เราต้องไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าสั้นหรือยาวหรือว่าหยาบหรือละเอียดรู้อย่างนี้เท่านั้นพออย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าปรุงแต่งเมื่ อ, อไหร่ก็จะทาให้ใจหยาบขึ้นมา แล้วก็ใจจะไม่รวมเข้าสู่ความสงบได้ yeah. คำถามต่อไปจากคุณปันที่มีคนถามพระอาจารย์เรื่องการทําทานระหว่างเศรษฐีทําทานร้อยล้านกับคนทําทานร้อยบาทพระอาจารย์ตอบว่าบุญที่เกิดจากการให้สุขใจเท่ากันแต่อานิสงฆ์ไม่เท่ากันระหว่างร้อยล้านกับร้อยบาท หมายถึงบุญที่เกิดขึ้นในใจกับอานิสงผลบุญมันแยกกันหรือครับและอานิสงผลบุญที่ได้ทำเกี่ยวกับการทำมากหรือทำน้อยใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันมันมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่ไม่เหมือนคือการทำบุญนี่จะมีผลอยู่สองส่วนส่วนทางจิตใจคือความสุขใจอิ่งใจนี้ก็อยู่ที่กำลังของเราว่าเรามีเท่าไหร่ เปรียบเทียบถ้าเราเป็นหนูเรากินข้าวช้ชอนเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้าเราเป็นช้างกินข้าวช้อนเดียวก็ไม่อิ่มถ้าเป็นคนจนนี่ทําบุญร้อยบาทก็มีความอิ่มใจสุขใจแล้วแต่ถ้าเป็นเศรษฐีทำร้อยบาทก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นเศรษฐีก็ต้องทําสักล้านสองล้านหรือร้อยล้านมันถึงจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วประโยชน์ที่ทํามันก็ต่างกันหนูทํางานได้ สู้ช้างไม่ได้ใช่ไหมหนูไปทําอะไรได้มากหนูก็ทําอะไรได้ตามกําลังของหนูช้างเขาก็ทําตามกําลังของช้างอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เกิดจากการให้มากให้น้อยมันต่างกันให้ร้อยบาทจะไปทําอะไรได้บ้างให้ร้อยล้านจะไปทําอะไรได้บ้างมันก็ต่างกันแล้วผลที่ให้ร้อยบาทกับร้อยล้านมันผลที่จะได้กลับมาในภพหน้าชาติหน้ามันก็ต้องต่างกัน ให้ร้อมันก็ต้องกลับมาร้อยหรือมากกว่าร้อยนิดหน่อยไม่มีดอกเบี้ยติดมาด้วยแต่ให้ร้อยล้านมันก็ต้องร้อยล้านกลับมา อ, อ่นี่นี่คือความแตกต่างกันคําถามต่อไปจากคุณวอเป็นผู้หญิงแล้วต้องการบวชจะบวชเป็นแม่ชีหรือภิกษุณีดีคะคือในประเทศไทยเราถือว่าไม่สามารถที่จะบวชภิกษุณีได้แล้วเพราะว่ามันในพัท เพราะธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นี้ถือว่าการบวชภิกษุณีนี้หมดสภาพไปแล้วเพราะไม่มีภิกษุณีสงอยู่ในโลกนี้อีกแล้วถ้าอยากจะบวชก็ต้องบวชเป็นแม่ชีการจะบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษุณีนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแม่ชีหรือเป็นภิกษณุณีประเด็นอยู่ที่ว่าภาวนาหรือไม่ภาวนา ถ้าบวชแล้วไม่ภาวานามามัวแต่เดินเรียลายขอขอเงินขอทองทําผ้าป่าทําอะไรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นแม่ชีแต่ไม่ไปเรียลายไม่ไปอะไรอยู่กับที่ภาวานาจเจริญสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานามันก็บรรลุธรรมได้อย่างที่กอเขาสวนหลวงนี่ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีเธอได้ซ้ําไปเธอเป็นเพียงอุบาสิกา เขาก็เชื่อกันว่าเธอก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเคุณกอเขาสวนหลวงอยู่ที่ราชบุรีที่วัดญา น, นี้จะมีหุ่นที้พึ่งของอสุภาพสตรีสองท่านที่วัดยา น, นี้จะมีพิพิธภัณฑ์หุ่นที้พึ่งที่ปฏิสถานรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ต่างๆยี่สิบรูปด้วยกันเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาหลวงปู่อะไรต่างๆแล้วก็มี มีมีรูปคุของผู้หญิงสองท่านอยู่ในชุดแม่ชีคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในชุดอุบาสิกาคนหนึ่งคนที่เป็นอุบาสิกาก็เป็นกองเขาสวนหลวงส่วนคนที่อยู่เป็นแม่ชีชุดแม่ชีก็คือคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วนี้ก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นกับสิทธิ์ของหลวงตามหาบัวอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องปวดเป็นแบบไหนะ แม้แต่ค า, า, ารวะบางท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันได้ในสมัยพระพุทธการแต่เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีที่ยกเว้นเท่านั้นเองคือไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆสําสหรับค า, า, ารวะทุกคนแต่ถ้ามีบุญบา ร, รมีพร้อมมีปัญญาพร้อมที่จะเข้าถึงอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันได้นะการบวชนี้จะบวชในรูปแบบไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้บางท่าน บวชถือศีลแปดศีสิบอยู่ที่บ้านปฏิบัติก็บรรลุทำได้บางท่านบวชเป็นพระอยู่ในวัดแต่ไม่ภาวนาก็บรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมนี้มันอยู่ที่การภาวนาหรือไม่ภาวนาอย่างที่ท่านกล่าวว่าคือต้องเป็นสุปฏิปันโนต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นภิกษุณีหรือเป็น ภิกษุหรือเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบาสิกาเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่ชี้บอกว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุผู้ที่สิ่งที่จะชี้บอกก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำถามต่อไปจากคุณฟินิกหลังจากจิตเริ่มมีความสงบเมื่อเราจะหันมาสร้างสติมีวิธีการเจริญสติและขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ การเจริญสติก็คือต้องมีอะไรควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งต้องให้ใจมีอะไรทำอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเช่นให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอันนี้ก็จะทำให้ใจไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆตันหาความอยากความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรือเกิดขึ้นมายาก ถ้าปล่อยให้ใจคิดพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหานีถ้าไม่ได้คิดถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันร้อนเนี่ยคนเราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนทุกวันนี้ร้อนกันขับรถจะฆ่ากันก็นเพราะความอยากนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอก อยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆกันพอใครมาขัดขวางหน่อยก็โกรธใครมาปาดหน้าหน่อยก็โกรธเดี๋ยวนี้เขายิงกันฆ่ากันบุนท้องถนนเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ท่านเองเพราะใจของคนทุกวันนี้ร้อนเป็นไฟกันอยากจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปพบคนนั้นคนนี้พอไม่ได้ไม่ได้ไปดังใจไม่ได้ไปได้เร็วดังใจอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมา เกยการทำบาปค่ากันกันขึ้นมาเป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นมาเพราะว่าไม่มีสติถ้าขับรถไปเราพุโทโธพุโทโธของเราไปจะถึงเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปไม่สนไม่สาคัญอขอให้เราขับไปเรื่อยๆอแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆใครจะปาดหน้าก็ปล่อยก็ปาดไปใครก็จ ะ, ะตัดหน้าก็ปล่อยก็ตัดไปอพอถึงไฟแดงก็จอดใจเย็นๆพุโทโธไปพุโทโธไป เดี๋ยวมันก็ไปถึงเองไปอย่างสบายดีกว่าไปอย่างสบายใจดีกว่าไปแบบร้อนใจวิธีที่จะทำให้ใจสบายใจเย็นใจมีสติก็คือต้องมีการบริกรรมพุทธโธไวเรื่อยๆไว้คอยป้องกันความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆและเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้คาถามต่อไปจากคุณเข็ม จิตกับใจคนละส่วนกันใช่ไหมคะตัวรู้คือสติหรือเปล่าคะกราบขอความกระจ่างจากพระอาจารย์ค่ะคือคําว่าจิตว่าใจานี้มันพูดถึงตัวเดียวกันนี่แหละคือผู้รู้จิตคือผู้รู้ใจคือผู้รู้แต่บางครั้งท่านก็แยกว่าผู้รู้ก็คือผู้ที่รับรู้แต่ผู้คิดนี้ก็เรียกว่าจิตแต่มันก็อยู่ในตัวเดียวกันนะเหมือนกับเรา มีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็อยู่ในร่างกายอันนี้แหละแต่ทําหน้าที่ต่างกันไปตาก็ไว้ดูรูปหูก็ไว้ฟังเสียงชั้นใดจิตกระจายก็แบบเดียวกันจิตเป็นผู้คิดผู้อะไรผู้คิดปรุงแต่งส่วนใจเป็นผู้รับรู้หรือเป็นใจผู้มีอารมณ์อยู่ที่ใจใจร้อนนี่เลยอารมณ์ร้อนใจร้อนจิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แต่มันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละคือผู้รู้เวลาจิตเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะหยุดทำงานก็จะเหลือแต่ผู้รู้ตัวตัวเดียวเนียใจนี้มีอยู่สองส่วนจะว่าแยกเป็นสองส่วนก็ได้ส่วนที่รู้กับส่วนที่คิดเนี่การปฏิบัติของเรานี้เราต้องการควบคุมส่วนที่คิดตอนนี้เราควบคุมส่วนที่คิดไม่ได้เราปล่อยให้มันคิดแล้วมันก็คิดไปในทางความอยาก แล้วก็สร้างความทุกข์สร้างเรื่องราวต่างๆวุ่นวายให้กับเราไม่รู้จกักจบจากสิน้นถ้าเราควบคุมส่วนที่คิดได้นี่เราก็จะสบายถ้าเราอยู่กับส่วนที่รู้อย่างเดียวได้นี่เราก็จะสบายเพราะการรู้นี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรรู้เห็นอะไรก็รู้ใครชมก็รู้ว่าชมใครด่าก็รู้ว่าด่าถ้าไม่ไปคิดว่าดีหรือชั่วมันก็ไม่ปปัญหาอะไรแต่พอใครเขาชมแล้วก็ไปคิดว่าดีก็ดีอกดีใจ พอใครเขาด่าก็ไปคิดว่าไม่ดีก็ไปโกรธไปแค้นไปมีเรื่องมีราวกันอย่างพยายามอย่าไปคิดให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาด่าเราแล้ ว, ลวรู้ว่าเขาชมเราแล้ ว, ลวชมแล้วมันก็จบด่าแล้วมันก็จบถ้าเรารู้เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรแต่พอเราเอามาคิดเอ้ยมันดา่าเราเนี่ยอ่ะก็เกิดเรื่องขึ้นมาทันที แค่นี้ที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อต้องการที่จะหยุดความคิดหรือควบคุมความคิดให้ใจมีแต่หน้าที่รอบรู้ปัญอย่างเดียวก็พอแล้วใจจะได้ไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมไม่ต้องไปมีทุกข์กับใครอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวสบายแสนสบายใจไม่ชอบชอบแก่งเท้าไปหาเสียนกันชอบหาเหามาใส่หัวกันด้วยความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละ ว, ว่าเราคิดไปในทางความหลง นั้นพยายามหยุดความคิดกันถ้าเรามีสติพุโทโธพุโทโธไปความคิดเกี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปพอมันหายเต็มที่มันก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวเรียกว่าผู้รู้สักแต่วรู้ปรากฏขึ้นมาเวลาจิตสงบเต็มที่เวลาที่ความคิดปุ่งแต่งหยุดหยุดอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็จะเหลือแต่ผู้รู้ขึ้นมาสักแต่รู้แล้วตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของความสุขทั้งหลาย ความสุขการยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ารถแห่งธรรมก็อยู่ตรงนั้นเองอยู่ที่ผู้รู้พยายามเราพยายามกลับเข้าไปหาผู้รู้กันอยู่กับผู้รู้แล้วจะมีแต่ความสุขแต่ถ้าอยู่กับผู้คิดแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจอย่างที่พเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับผู้รู้กันพวกเราอยู่กับผู้คิดกันคิดว่าอ้นั้นดีคิดว่าอันนี้ดีแล้วมันดีอย่างที่คิดหรือเปล่าได้มาแล้วก็ปวปวดหัว ไ้มาแล้วก็ร้องหอบร้องห้เสียอกเสียใจลองอยู่กับผู้รู้เถอยิ้อยู่เฉยๆแล้วจะสบายคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมสนใจท ร, รมามาสักพักใหญ่ๆและได้เริ่มภาวนามราระยะเวลาหนึง่ง ปัญหาที่คาใจคือตอนนี้ผมทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ร้านร้านหนึ่งแต่พ่อกับแม่อยากให้ผมเปิดร้านของตัวเองแต่ผมไม่อยากเปิดร้านเองอยากเป็นลูกจ้างไปเรื่อยๆเพราะถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะขาดอิสระ ท, ทั้งทางกายและทางใจและไม่ได้อยากรวยอะไรแล้วจะภาวนาก็ทำไม่ได้เต็มที่อยากไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมมากกว่า แต่ก็ยังไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับท่านเพราะคิดว่าท่านคงไม่ยอมและอาจทะเลาะกันพ่อผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังทำงานหนักมากแม้ว่าท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วผมลองพูดเปอยๆให้ท่านหยุดท่านก็ยังเฉยเฉยผมก็ได้แต่ปล่อยวางแต่ก็คอยช่วยงานท่านไปด้วยทำงานของตัวเองไปด้วย แต่ใจอยากไปอยู่วัดภาวนามากกว่าใจหนึ่งก็มองว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไม่ยอมอยู่ช่วยงานพ่อด้วยผมก็เลยสับสนว่าตัวเองควรทำอย่างไรดีครับก็ในสมัยพระพุทธการก็มีลูกของเศรษฐีอยู่คนหนึ่งอยากจะบวชแต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชเขาก็เลยตัดสินใจอดอาหารไม่กินอาหาร ถ้าไม่ได้บวชก็ยอมอดอาหารตายไปในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมเพราะรักลูกถ้าลูกอยากจะบวชไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าให้เขาตายไปตายไปก็ไม่ได้ทรัพย์สมบัติอยู่ดีบวชแล้วถ้ายังไงเปลี่ยนใจเสกออกมาก็ยังจะได้กลับมารับสมบัติได้เขาก็เลยยอมให้ให้ให้บวชได้คำถามต่อไปจากคุณอามา ดิฉันขอกราบเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติอย่างไรที่จะระงับความฟุ้งซ่านและความทุกข์ ใจิตใจได้อย่างเด็ดขาดคะพระอาจารย์เคยแนะนําให้ฝึกเจริญสติก็ทําแต่ไม่พัฒนาเลยทั้งๆ ท, ท, ที่อ่านธรรมมาจากพระอาจารย์ทุกๆเช้าเข้าใจที่พระอาจารย์สอนดิฉันก็พยายามปฏิบัติแต่ก็ไม่เป็นผลดิฉันขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะแนวทางให้ดิฉันด้วยในการที่จะฝึกปฏิบัติธรรม ให้เดินควบคู่ไป ก, กับการดำลงหาเลี้ยงชีพดิฉันเกรงว่าจะเป็นโรคประสาทในวันข้างหน้าค่ะก็เป็นเหมือนกับคนไข้ที่ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาแล้วก็สั่งว่าให้กินยานี่สาเวลาสี่เวลาแต่คนไข้เอายามาแล้วก็ไม่กินยาเมื่อไม่กินยาโรคมันก็ไม่หายเราจะไปโทษใครโทษหมอหรือไปขอร้องหมอให้ช่วยหมอก็บอกช่วยแล้วก็ให้ยามาแล้ว คุณทำไ ม, ไม่กินยาที่หมอให้มาคุณฟุ้งซ่านคุณมีความอยากก็เพราะคุณหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้เพราะคุณไม่เจริญสติถ้าคุณเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆจะหายไปความอยากต่างๆจะหายไปคุณไม่ยอมกินยาการเจริญสตินี่ก็คือเป็นการกินยาหมอก็สั่งกําชับแล้วว่าต้องกินตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ก็มากใกล้พุโทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรทั้งวันก็พุโทโธควบคู่ไปกับการงานต่างๆที่เราทําะถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใหญ่ต่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่หมดไปมันก็จะมันก็จะเบาบางลงแล้วก็จะหมดไปได้ต่อไปแต่ไม่ใช่เฉพาะสติไม่ใช่เพราะด้วยสติเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันจะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปก็คือสมาธิ และปัญญาที่จะสามารถทําลายความทุกข์ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นเมื่อมาหาหมอแล้วหมอให้ยาไปแล้วก็ขอร้องเอาไปกินเสียกินตามที่หมอสั่งมาหาหมอแล้วเอายาแล้วพอกลับบ้านก็ไม่กินยากินแค่เม็ดเดียวแล้วก็หยุดกินพุดโธได้สองคำแล้วก็หยุดกินแล้วก็มานั่งปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็กลับมาบอกหมอว่าหมอรักษาไม่หาย หมอกก็ถามว่ากินยาหรือเปล่าก็บอกไม่กินไม่กินมันก็ไม่หายสิคาถามต่อไปจากคุณออยคนที่มีอาชีพออกเงินกู้เก็บดอกเบี้ยจะเป็นบาปหรือไม่คะคนที่ทําอาชีพนี้เขาบอกว่าเขาช่วยให้คนได้มีเงินไปใช้คะ่ะมันก็เป็นอาชีพเหมือนกับที่อาชีพอื่นๆธ น, นาคารเขาก็ให้เงินกู้เหมือนกันจะบาปตรงไห น, น อยู่ที่คนไปกู้เขาก็ไม่มีใครบังคับให้ไปกู้คนกู้ก็ไปกู้เองก็เหมือนกับไปซื้อของตามร้านต่างๆของในร้านแต่ละร้านอาจจะเหมือนกันแต่ราค า, า จ, จะไม่เหมือนกันก็ได้ร้านนี้อาจจะขายถูกกับร้านนั้นนี่เราไปซื้อร้านที่มันขายของแพงแล้วเราจะไปว่าเขาบาปได้อย่างไรเพราะเขาเขาต้องการจะขายราคานี้ เมื่อเราต้องการซื้อของเขาในราคานี้เขาก็ขายให้เราไม่มีใครบาปทั้งคู่คนขายก็ไม่บาปคนซื้อก็ไม่บาปเพราะเป็นความยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะถามว่าโหดร้ายหัหยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งไร้ความเมตตาปานีหรือไม่ น, นี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคนที่คิดดอกแต่งแพงสูงๆนี่มันก็เรียกว่าโหดร้ายหน่อยไม่มีความเมตตามีความโลภมาก อันนี้มันก็ก็อาจจะทำให้ไปเกิดในที่ไม่ดีได้ไปเป็นเปรตได้พวกที่เป็นมีความโลกมากๆไปทำบาปทำกรรมด้วยก็จะไปกลายเป็นเปรตได้นันก็ต้องระมัดระวังถ้าเราจะทำอาชีพนี้เราก็ต้องคิดถึงโฮ่โออเขาโฮกเราเราก็ต้องคิดว่าราคาไหนที่มันเป็นราคาที่เหมาะสมเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ อย่าเอาแต่เราได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแล้วเขาต้องน้ําตาตกหน่อยเขากู้เงินเราไปแล้วเขาไม่สามารถเอาเงินที่เราเขากู้ไปได้แล้วเราก็ยึดที่ดินยึดยึดนาของเขาไปทั้งทั้ง ท, งที่ราคาที่ของที่ดินที่เรายึดมานี้มันมากกว่าเงินที่เขากู้เราไปเสอีกมันก็ต้องให้ความยุติธรรมให้มีความเมตตาสงสารต่อกันละกันต้องคิดถึงโออกเขาโออกเราในอนาคตถ้าเราตกในที่นั่งของเขาบ้างจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไปจอคนเมตตาให้เรากู้เงินโดยไม่คิดดอกนี้เป็นอย่างไรหรือให้กู้แล้วไม่เอาคืนเลยเป็นอย่างไร <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณรณชัยอยากทราบเรื่องฐานของจิตเวลานั่งสมาธิควรกําหนดอย่างไรตามแนวทางของพระอาจารย์การานั่งสมาธิจําเป็นต้องมีปิติไหมครับ คือการนั่งสมาธิก็ต้องเจริญสตินั่งก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งขัดสมาได้ยิ่งดีแล้วพอนั่งแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของร่างกายให้สนใจอยู่กับการภาวนาจะบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปจะดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วใจมันก็จะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนของการการเดินทางเข้าสู่ความสงบ ก่อนจะเข้าสู่ความสงบก็อาจจะมีปิติมีสุขมีนิมิตมีอะไรต่างๆให้สัมผัสรับรู้ก็อย่าไปสนใจเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นเป้าหมายไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือความว่างของใจปรจาจะจากความคิดปรุงแต่งความเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วก็รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบนั้น อันนั้นเป็นเป้าหมายของเราถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้รวมกันก็ได้แต่ส่วนใหญ่วิธีที่ถูกคนจะแยกกันจะดีกว่าถ้าจะดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวถ้าจะพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวไม่งั้นมันจะเป็นสองอย่างพอเป็นสองอย่างแล้วจิตมันจะรวมยาก เราต้องการให้จิตรวมต้องให้มันอยู่กับอย่างเดียวเรื่องเดียวอย่าไปอยู่กับสองเรื่องแต่ในเบื้องต้นอาจจะใช่สองอย่างเพื่อกำกับก็ได้แต่พอจิตเริ่มสงบถ้าอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจิตจะได้รวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะสงบจะมีอะไรมาให้รับรู้มีปิติมีอะไรก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปสนใจภาวนาต่อไป เหมือนกับเราเดินทางจากนี่ไปกรุงเทพเดี๋ยวผ่านบางแสนเดี๋ยวผ่านน้องมนเดี๋ยวมีขนมขายก็อย่าไปจอดแวะขับไปเรื่อยๆถ้าจอดแวะแล้วเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามข้อแรกทำอย่างไรจรึงจะนอนหลับแล้วไม่ฝันคะเรื่องของความฝันนี้เป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาก็ว่าได้ เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับใจได้เวลาเรานอนหลับเพราะตอนนั้นเราไม่มีสติที่จะมาคอยควบคุมความคิดความคิดก็เกิดความฝันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งความฝันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างของวิบากที่เราได้ทำไว้ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีในขณะที่เราตื่นเวลาเรานอนหลับเราก็จะฝันดีถ้าเราคิดร้ายพูดร้ายทาร้าย เวลานอนหลับก็จะฝันร้ายถ้าเราฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบปราศจากความคิดกลงแต่งเวลาเรานอนหลับมันก็จะไม่ฝันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ฝันเลยตลอดทุกครั้งไปมันก็อาจจะมีบ้างมีเรล็ดลอนออกมาบ้างที่ต้องมีการฝันเหมือนกันแต่ความฝันนี้มันไม่เป็นความมันไม่เป็นมันไม่เป็นปัญหาอะไรมันเป็นวิบากปัญหาอยู่ที่ ขณะที่เราเตือนเราคิดอย่างไรเราพูดอย่างไรเราทําอย่างไรอันนี้เป็นตัวที่จะเราควรจะให้ความสําคัญมากกว่าถ้าเราอยากจะนอนหลับฝันดีก็ให้คิดดีพูดดีทดําดีก็คือมีความเมตตานี่คนที่มีความเมตตาท่านก็บอกว่าเตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลาหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ไปสู่สุขติ นี่คืออา น, นิสงของการคิดดีพูดดีทำดีนะถ้าฝึกฝึกสติสตทําใจให้รวมเป็นหนึ่งได้สักแต่ว่ารู้ได้เวลานอนก็จะฝันไม่มากฝันน้อยเพราะไม่ได้คิดมากนั่นเองข้อที่สองกลัวผีมากค่ะจะต้องทำอย่างไรดีคะเวลากลัวผีท่านก็บอกให้เราเล็กถึงพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์จะให้สวดมนต์ไป สวดอิติปิโสอย่าไปคิดถึงผีถ้าสวดไปหรือใช้พุโทโธท่องพุโทโธไปก็ได้ถ้าใจอยู่กับพุโทโธไปไม่ไปคิดถึงผีเดี๋ยวใจก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะหายกลัวเพราะความกลัวมันออกมาจากใจที่ไปคิดถึงเรื่องผีทั้งๆ ท, ที่ไม่มีผีให้เราดูไม่ได้เราเห็นได้เราจับเพียงแต่ว่าเราไปคิดไปเองว่าเป็นผีพอเราหยุดคิดเรามาอยู่กับพุโทโธได้ใจสงบได้ความกลัวก็จะหายไป คำถามต่อไปจากคุณยูแคนลุกข้อแรกสมัยก่อนอายุสิบห้าปีภาวนาไม่เป็นฟังวิทยุหลวงตาท่านสอนให้ภาวนากับลมหายใจเข้าออกเอาพุธโทกำกับคู่ไปด้วยมหาธรรมเองคือบังคับลมหายใจให้ช้าพุธจากเสียงเข้าโทลากเสียงออกและควบคุมแบบปกติสั้น ตามหายใจเข้าออกทำสองแบบมาจนถึงอายุ27ส็ปีแต่มาฟังเทศพระอาจารย์สอนพุทธโธรวัวเร็วเพิ่งมาปรับทำไม่นานผลที่ได้คือดีกับดีครับตั้งอยู่ในภาวนาได้เร็วตามใจเมื่อวานพุทธโธรัวเร็วๆจิตเข้ามากระจุกอยู่ที่เดียวเหมือนอยู่ในห้องจิตมีแต่รู้ เป็นแบบนี้คู่เดียวนั่งกับพื้นแต่เหมือนนั่งบนเก้าอี้สี่ขาแล้วตกใจสะดุ้งเหมือนจะตกเก้าอี้แต่ทั้งทั้งที่นั่งอยู่บนพื้นแบบนี้เรียกจิตรวมไหมครับและพูดโทรรัวเร็วๆดีไหมครับจะได้จําเพื่อเข้าสมาธิจิตแบบนี้ในครั้งหน้าต่อไปครับก็ผู้ปฏิบัติก็ต้องสังเกตดูว่าทําวิธีไหนแล้วได้ผลดี คือกา ร, รบริกรรมพุโทโธนี้ช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราถ้าจิตใจเราฟุ้งมากเราก็อาจจะต้องบริกรรมให้ถี่ขึ้นเพื่อจะได้สู้กับความฟุ้งได้แต่ถ้าจิตมันไม่ฟุง้งเราก็พุโทโธไปตามสบายก็ได้หรือถ้าเราไม่อยากจะพุโทโธเราเหนื่อยเราอยากจะหยุดก็ดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวก็ได้คือเป้าหมายของการกระทาทั้งหมดนี้เพื่อไม่ให้ไปคิดปรุงแต่ง เพื่อเราไม่คิดปรุงแต่งแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นวิธีไหนที่เราทำแล้วใจเรารวมเข้าสู่ความสงบก็เป็นวิธีที่ถูกกับเราเหมาะกับเราในขณะนั้นในคราวต่อไปอาจจะทำแล้วอาจจะไม่สงบก็ได้ก็ต้องปรับต้องดูว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่แล้วจิตอาจจะว่านอนสอนง่ายให้ดูลมอย่างเดียวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ ข่าวนี้มันดือ้อมันไม่ยอมดูรมมันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องหยุดการดูรมไว้ชั่วข่าวแล้วก็หันมาใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้นี่คือการปฏิบัติที่อาจจะต้องมีการปรับแผนบ้างเหมือนกับขับรถนี่ถ้าใช้เกียร์ธรรมดานี้มันต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับสภาพบนทองถนนว่ารถกาลังวิ่งเร็วหรือช้าถ้ารถวิ่งช้าไปใช้เกียร์สูงมันก็ วิ่งไม่ได้ถ้ารถวิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ําเช่นเวลาออกรถนี่จะไปเข้าเกียร์สูงเข้าเกียร์สี่เกียร์ห้านี่มันก็ออกไม่ได้ออกแล้วมันก็ดับก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งเนี่เวลาขับรถนี่ก็ต้องดูความเร็วของรถในการเปลี่ยนเกียร์แต่สมัยนี้มันเป็นเกียร์อัตโนมัติไปแล้วบางคนขับก็เลยไม่รู้เรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ว่าเขาเปลี่ยนกันทําไมเปลี่ยนเพราะว่าความเร็วของรถนี่มันจะช้าเร็ว และกำลังของรถนี่มันจะมากน้อยอยู่ที่เกียร์กำลังของรถจะมากถ้าใช้เกียร์ต่ำแต่มันจะความเร็วมันจะช้าถ้าจะให้ความเร็วมันเร็วก็ต้องใช้เกียร์สูงแต่กำลังมันก็จะน้อยอันนี้ก็ต้องรู้จักวิธีปรับแผนของการปฏิบัติของเราว่าตอนนี้ใช้กรรมฐานใช้อารมณ์แบบไหนวิธีไหนเหมาะกับการบริกากับการภาวนาตอนนี้ก็ใช้ตอนใช้แบบนี้ไป ข้อที่สองเป็นคนภาวนาระลึกพุโทโธกับลมหายใจเข้าออกกับการเดินก่อนนอนไปซื้อของไปตลาดเดินไปไหนมาไหนแต่คนรอบตัวเดินผ่านของก็จะตก สะดุดบ้างของหลุดมือบ้างหรือคนมองมาที่เรามากๆแต่เราไม่ได้พูดเสียงดังหรือให้ใครตกใจหรือให้ใครหันมาบางทีเราก็ไม่ชอบเหมือนจิตเราอยู่ในใจแต่มันเหมือนปล่อยกระแสจิตส่งไปรอบๆสภาวะรอบตัวอันนี้เราจะต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องมีสติอยู่กับการงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบัน เรากาลังทำงานอะไรอยู่เราก็ต้องมีการรับรู้มีการเฝ้าดูว่าเรากำลังทำถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ไม่ผิดไม่ใช่มัวแต่จะให้ปล่อยให้จิตเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่สนใจกับการกระทาของร่างกายผู้ปฏิบัตินี้ต้องรู้จักการละเทสะรู้จักการใช้ใช้ใช้สติใช้ใจให้เหมาะกับกาละเทศะ ถ้าเราขับรถอยู่นี่ถ้าเราโมแต่ไปพุทธโทรให้จิตมันรวมเดี๋ยวก็ชนกันตายเท่านั้นหมดคำถามค่ะหลวงพ่ อ, อนั้นเวลาเราทำอะไรนี่เราต้องมีสติอยู่กับการกระทาของเราแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเรานั่งเฉยๆนี่เราก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางร่างกายได้เพื่อให้จิตได้เรียนเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบเต็มที่นี้ต้องอยู่เฉยๆไม่ทาอะไร ถ้าทําอะไรนี้ใจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานที่เรากําลังทําอยู่เพราะถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าดูเดี๋ยวเกิดความเสียหายตามมาได้เพรนั้นผู้ปฏิบัติก็อย่าเป็นเถินตรง <c oughs> เอาจ <c oughs> ารยพอให้ปล่อยก็ปล่อยมันหมดเลย <c oughs> <c oughs> จานจริก็ปล่อยมันแล้มันแตกพังไปเลยมันต้องรู้ว่าเวลาไหนควรปล่อยเวลาไหนไม่ควรปล่อยและควรปล่อยอย่างไหนถึงไดยก็ปล่อย